ในแง่หนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความเหนื่อยลา้าเกิดความคุนเครื่องเจ็ดไม่สงบแต่ในแง่หนึ่งมันก็ทาให้เราเพลินเนเหมือนกันนะเินนะเวลาของเราแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปเร็วเวลาอยู่ที่ทำงานรีกรุงเทพมันมีอะไรต่ออะไรประดังประเดยเข้ามา กว่าจะรู้ตัวก็หมดวันไปแล้วแต่ที่นี่เนี่ยเราคนที่มาใหม่ๆจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากนะทั้งที่เรามาที่นี่ก็หวังความสงบแต่ว่ามาใหม่ๆวันแรกเนี่ยจิตมันอาจจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะว่ามีเสียงดังมารบกวน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 อ้างวางความเบื่อมาใหม่ๆนะอาจจะสักชั่วโมงแรกก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันมีอะไรให้หน้าหน้าดูจิตยังรู้สึกตื่นเต้นกับสถานที่ที่แปลกใหม่แต่พอเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรใหม่ๆให้เจอให้เห็นให้สัมผัสนะ ไม่มีการพูดคุยไม่มีการติดไม่มีข่าวสารข้อมูลให้ได้เสพเนี่ยนะจิตมันก็จะเริ่มเริ่มรู้สึกเบื่อธรรมชาติของจิตเราเนี่ยโดยเพราะการที่ได้ ไปใช้ชีวิต อ, อยู่ในเมืองเนี่ยมันจะเกิดอาการเสพติดนะเป็นอาการเสพติดชนิดหนึ่งนะคือเสพติดนะผัสสะเสพติดอารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามานาทีแล้วนาทีเล่าบางทีผ่านเข้ามานะเกือบทุกวินาทีเลย ในแ่นี้มันก็ทำให้จิตเหนื่อยล้านะการที่ต้องเสพ ร, รับอารมณ์ใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ในอีกด้านนึงมันทำให้จิตเนี่ยคุ้นเคยกับอารมณ์ใหม่ๆและพอไม่ได้เสพนะไม่ได้เจอเนี่ยมันจะรู้สึกนะงงงวยนะหรือว่ารู้สึกว่าแปลกแยก หรือว่าจะเคร่งคว้าเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะในวันแรกๆโดยเพราะเมื่อตั้งใจมาเพื่อปฏิบัติหลายคนที่ไม่คุ้นก็จะรู้สึกกระสรับกระส่ายนะนให้ความเบื่อนี่ก็ทำให้คนเรากระสรับกระส่ายได้แต่ว่าถ้าเราให้เวลากับจิตใจเราสักหน่อยนะมันจะปรับตัวได้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 แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวทางโทรศัพท์มือถือ ท, ทางคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ติดนะเสพติดกับความเคลื่อนไหวของของรูปแล้วก็เสียงนะที่หลั่งไหลประดังประเดเข้ามา้คนเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเอไว้ให้ดูภาพ น, นิ่งๆสัก สักสืบวินาทีมันก็เบื่อแล้วนั้นจะสังเกตว่าภาพในจอโทรทัศน์จะเป็นโฆษณาเป็นละครทีวีหรือว่าคลิปวิดีโอนี่เดี๋ยวนี้หายากนะภาพที่มันจะแช่นิ่งสักสามวินาทีขนาดคนพูดจาสนทนากันนะเพื่อต้องตัดภาพ ภายในเวลาไม่เกินห้าวินาทีต้องปัดตัดนะเพราะมันง้นคนจะเบื่อคนอย่างนี้เบื่อง่ายแล้วเราก็ไปซึมซับรับเอาเอานิสัยนี่มาโดยที่ไม่รู้ตัวนะีย่ยงในด้านหนึ่งเนี่ยชีวิตที่ในกรุงเทพมันมันวุ่นวายก็จริงจนอยากจะให้เราตต่เราอยากจะหนีออกมาแต่ว่าในแง่หนึ่ง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 แต่ก็ต้องตัดใจนะมันก็ต้องการมานี่อาจจะเหมือนกับการหักดิบก็ได้นะคนที่ติดกาแฟาติดติดเหล้าติดบุหรีนะแม้รู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายนะเป็นอาจจะเป็นอันตรายต่อจิตใจนะแต่ว่าก็เลิกมันไม่ได้ใจก็อยากจะเลิกใจหนึ่งก็อยากจะเลิกแต่ใจหนึ่งก็ยังยังโหยหา ภาษาใหม่ๆที่รุมเร้านะหรือว่าประดังประเดยเข้ามาในชื่อของเราก็เหมือนกันนะในเนี้ยใจหนึ่งเราก็ไม่ชอบนะมันมนันวุ่นวายกระทึกนะแต่อกใจหนึ่งก็ก็ขาัดมันไม่ได้เหมือนกันพอห่างมันไปแล้วก็โหยหาหลายคนเนี่ยพอมาอยู่วัดเนี่ยรู้สึกมันมันเงียบไปจนนอนไม่หลับนะ ไอ้ตอนอยู่บ้านเขาสือว่าเสียงดังกระทึกจนน้อยไม่หลับแต่พอมาเจอที่เงียบนะมันก็เกิดอาการอย่างเดียวกันก็คือว่าน้อยไม่หลับเพราะว่าคิดถึงนั้นมาที่นี่เนี่ยก็ก็ต้องทำใจเตรียมใจรับเนะี่ยกับความความเบื่อแล้วก็จะรวมถึงความง่วงนะที่มันจะตามมา เพราะว่าจิตเนี่ยพอมันไม่มีอะ ไ, ไรมากระตุน้นไม่มีอะไรมาเร้าเนี่ยมันก็จะเริ่มง่วงซึมจิตขงคนเมืองเนี่ยมันถูกกระตุ้นเร้ามากนะถูกกระตุ้นเร้าตลอดเวลาเกือบทุกวินาทีทุกสามวินาทีทุกห้าวินาทีมันก็เลยตื่นตัวได้แต่พอไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นเนี่ยมันก็จะหง่อยเมื่อคนที่ตื่นพอกกรีดกาแฟนเนี่ยพอไม่ได้เสิฟกาแฟมันก็จะง่วง แต่นั่นก็คือธรรมดานะถ้าเราต้องการที่จะจะอิเป็นอิสระจากมันนะไม่เสจติดมันเนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะเจอกับอาการแบบนี้นะเวลามาวัดแล้วก็มาปฏิบัติแล้วมันมีความรู้สึกง่วงเบื่อนะอ้างว้างนะรู้สึกว่างอยเงาเนี่ย อันนี้ก็ถือว่ามอนี่ง่ายหนึ่งมันก็เรียกว่าเป็นภาวะลงแดงแบบหนึ่งเหมือนกันนะลงแดงแต่ไม่ใช่ลงแดงเพราะเลิกเล่าเลิกบุหรี่แตลงแดงเพราะว่าขาดผัสสะที่เคยที่เค ย, ท, เคยที่เคยเสพติดเป็นประจําแต่เต้องยอมนะต้องยอมต้องยอมเจอกัภาวะลงแดงสักพักนะการเสพติดบางอย่างต้องผ่านภาวะลงแดงที่นานหน่อยติดยา ติดเล่าติดบุหรีนะอันนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะผ่านภาะวะลงแดงไปได้แต่ว่าอย่างการเสตติของคนเมืองหรือว่าเสตติภสสาษานี้มันใช้เวลาไม่นานในการที่จะผ่านไปได้สามวันสี่วันวันแรกวันที่สองที่สามรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยอาจจะสบายเนื้อสบายตัวแต่ใจยัง ยังรู้สึกว่ายัางไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่พอเริ่มมาที่สี่แล้วก็จะเริ่มเริ่มปรับตัวได้แอ้ว่าถ้าอยู่ไปอีกหน่อยก็จะเริ่มชอบนะเพราะว่าตอนนั้นแหละจิตก็จะเริ่มที่จะสัมผัสกับความสงบนะพอจิตเริ่มสัมผัสความสงบเนี่ยก็จะก็จะมีความพอใจมีความสุข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 ก็จะเริ่มชอบคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยไม่รู้วตัวเองต้องการอะไรนะเทิงกว่าจะได้เจอสิ่งนั้นนะเจอสิ่งนั้นด้วยด้วยตัวเองอันนี้มันไม่ใช่เฉพาะในเรื่องที่เป็นความละเอียดแกรนดี้เช่นความสงบเท่านั้นนะแม้แต่เรื่องที่ดูเหมือนว่าน่าจะรู้กันดียกตอย่างเช่น เ, เขาพบว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยที่หาคู่เนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยนะอาจจะคิดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการคนแบบไหนมาเป็นคู่ครองใครๆก็มักจะเชื่อตัวเองเนี่ยรู้ว่าต้องการคนแบบไหนเป็นคู่ครองถามว่าต้องการคนแบบไหนก็จะเขียนได้ว่าเนี่ยอยากจะได้คนแบบนี้มาเป็นแฟน หน้าตาแบบนีนะ้รูปร่างแบบนี้อาจจะรวมถึงมีาศาสนามีนิสัยแบบนี้แต่ว่าพอเจอใครบางคนซึ่งแม้จะไม่ได้มีสเปคอย่างที่ว่ามันเนี้ยก็กลับหลงรักหรือลงชอบหรือว่าสนใจติดต่อ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 จากการใช้บริการหาคู่ทางออนไลน์ด้ววิธีการหาคู่ทางออนไลน์ก็ทํางานก็ให้กรอกว่าต้องการคนแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรอายุเท่าไหรส่วนสูงแค่ไหนผิวดําแดงหรือเปล่าเนี่ยศาสนาด้วยนะแล้วบริการออนไลน์ี่ก็พยายามที่จะแมทช์พยายามจับคู่นะให้เข้ากับความต้องการที่ระบุเอาไว้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 จริงๆแล้วคนเราเนี่ยแมก้กระทั่งว่าแมก้กระทั่งคิดว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองอยากได้ใครเป็นแฟนเนี่ยจริงๆก็ไม่รู้หรอกนะมารู้ก็ต่อไม่ได้เจอคนจริงๆแล้วก็วโอ้โหนี่ใช่นะนี่ขนาดเรื่องที่มันเป็นเรื่องอยู่ในความสนใจงผู้คนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นรู ป, ปธรรมมากนาประสายอะไรๆก็เรื่องที่มันเป็นเรื่องละเอียดเรื่องละเอียดอ่อนประนีนใช่เรื่องความสงบหลายคนที่ไม่เจอความสงบก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบ หรือว่าตัวเองปรารถนาแต่พอได้เจอแล้วก็เจะแล่นี่แหละใช่และตรงนี้ก็ทำให้เกิดฉันทะในการที่จะฝึกใจให้ให้สัมผัสกับความสงบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อพวกเรามาที่นี่ใหม่ๆทีแรกเนี่ยวันแรกวันสองวันแรกเนี่ยนะก็ก็ให้ร่วมเป็นเรื่องธรรมดานะความรู้สึกเบือ่อ ควารู้สึกเคว้งารู้สึกหงอยเหงาจิตรู้สึกไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่บางทีเวลาเวลาเดินนี่ก็เหมือนกับว่าไม่มีชีวิตชีวาเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนหรือบางทีคนอาจจะล่อเป็นซอมบี้เนี่ยนะนี้ให้คิดว่าเป็นธรรมดานะเดี๋ยวพอรักษาสี่ 30, วันก็จะจะเริ่มปรับตัวได้ร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันมันปรับตัวได้ถ้าให้เวลาสักสองสามวันเป็นอย่างน้อย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 ที่ยิความเบื่อเนี่ยมันมีข้อดีนะเมื่อแต่ก็ตามที่เราเบื่อมันแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยราบรื่นอในระดับหนึ่งราบรื่นจน่าการเป็นราบเรียบไปนะถ้าว่าเราเกิดมีคนด่าเราเนี่ยเราจะเบื่อไหมเราไม่เดือเราไม่เบือ่อเราโปรดนะถ้าของเราหายนี่เราเบื่อไหมไม่ไม่เบื่อนะเราเสียใจเสียดายนะ ถ้าคนรักของเราเนี่ยเกิดป่วยขึ้นมาเนี่ยเราเบื่อมั้ยเราไม่เบื่อนะเรากังวลนะลองเลือกถ้าเรามานึก ด, ดูนะั่นระหว่างความเบื่อความกับความโกรธความเสียใจความเสียดายความห่วงกังวลเนี่ยถ้าเราเลือกนี้เราคิดว่าเราจะเลือกอะไรนะถ้าเวลาตมานี่เลือกความเบื่อดีกว่านะเพราะว่ามันมั น, ม, นมันเบาน้อยที่สุดนะ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 โดยไม่รู้ตัวนะโดยไม่รู้ตัวว่าหนีตัวเองแต่ว่ามันเราทำอย่างนั้นโดยไม่รู้ตัวจะเป็นนิสัยถ้าอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายเพราะอะไรนะส่วนหนึ่งวก็เพราะว่ามันไม่มีอารมณ์ใหม่ๆให้เสรอย่างที่ว่าหรือไม่ฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพออยู่กับตัวเองเนี่ยจิตใจมันจะว้าวุ่น มันจะเป็นความรู้สึกตรงข้าวความเบื่อนะเบื่อนี่จิตใจมันจะเฉยเนือยแต่พออาลณนอีกอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือจิตใจว้าวุ่นเพราะพอเราอยู่กับตัวเองเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเนี่ยใจเนี่ยมันจะต้องเริ่มนะเริ่มที่จะดิ้นรนแส้สายเพื่อหาโน่นทํานี่หรือไม่ก็หาเรื่องคิดนะคือจิตไม่ต้องทํางานอะ่ะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันต้องทํางานแล้วถ้าถ้าเราไม่รู้จักหางานดีๆให้มันทำมันก็จะไปหางาน จะไปทำงานที่มันสร้างความเุลียกับเราเช่นไปนึกถึงอดีตที่เจ็บปวดนะที่ชวนให้เศร้าโศกเสียใจไปกุดคุ้ยเรื่องไม่ดีที่เราเคยทำไว้นะกับเพื่อนกับคนรักนะหรือไม่ก็ไปคิดถึงเรื่องที่ชวนให้โกรธชวนให้วิตกกังวลนะจิตมันจะคอยไปขุดคุ้ยเอาความทุกเนี่ยมาหรือไปหาเรื่องมาเล่น ง, งานจิตใจ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 ไปเปิดดูข้อมูลขา่าวสารไปดู facebook ก็มีเรื่องที่ทําให้หดหัทําให้โกโมโหทําให้หงุดหงิดทําให้ลาคาทั้งที่อารมณ์พุ่งพล่านเพราะ facebook เพราะว่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าหลายคนก็ติดมันไปละนะรู้ว่าทุกแต่ว่าก็เลิกมันไม่ได้ตื่นขึ้นมาอย่างแรกที่ทําหรือว่าสิ่งหนึ่งที่ทำภายในเวลาสิบห้านาะทีคือเปิดโทรศัพท์ดูข้อความใช่มเจ็ดสิบปดสิเปอร์เซ็นตี่เป็นอย่างงี้นะ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 เปิดรับสิ่งดีๆที่ทำให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสนะเหมือนดอกบัวที่สิ่งแรกที่รับในรุวงรุนก็คือแสงที่ทำให้มันบานนะเราควรจะเปิดรับเปิดใจรับนะสิ่งที่ทำให้จิตมีความสุขช่นงชื่นเบิกบานนะในวินาทีแรกๆที่ตื่นขึ้นมานะเช่นการทำความรู้สึกตัวหรือการทำสมาธิ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 อันนั้นก็ทําได้ไม่ยากเพราะว่ามันเป็นกิจวัตรแล้วก็ทํำด้วยกันแต่สิ่งที่มันยากคือว่าตอนที่เรามาอยู่คนเดียวนะมาปฏิบัติมาเจริญสตินะไม่ว่าจะทำโดวยวิธีการใดก็แล้วแตนะ่จะต้องมีความตั้งมัน่นจะต้องมีความตั้งใจมัน่นมันจะจิตมันจะฟุ้งอย่างไรนะให้รู้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา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 ทำได้ไม่นานทำได้ไม่กี่วันก็เลิกบอกว่าถามวทําไมาบอกฟุ้งซ่านที่จริงฟุ้งซ่านนี่เรื่องธรรมดานะใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแหลนะนไปถามเทระ ล, ละมาท่านก็เคยยอมก็ยอมรับว่าโอ่นจิตอัตมาเขฟุ้งซ่านเหมือนกันใครว่าจิตสงบนะแต่ว่าการปฏิบัตินเนี่ยมันทําให้เราอยู่กับมันได้อยู่กับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้อยู่ได้โดยที่ไม่ยึดนะ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 แล้วก็ไม่มีสติด้วยนะก็เลยไปยึดนะหรือแม่ก็ไปผักสายความโกรธมันก็เลยเป็นผู้โกรธแทนที่จะเห็นความโกรธเป็นผู้โกรธและคนทุกข์เพระเหตุนี้แหละเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูลนะหลวงปู่ดูลตุลตโลนะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่ยแรกๆเลยก่อนหลวงตามหาบยุยคนก็เชื่อว่าท่านเป็นพาริยะเป็นพระอรหรันต์ ก็มีล <iPad> ูกศิษย์คนหนึ่งถามหลวงปู่มีความโกรธไหมก็คงจะคิดว่าถ้าเป็นพระอรหันก็ต้องตอบไม่มีท่านตอบว่ามีแต่ไม่เอามีความโกรธนี่ไม่ทําให้ทุกนะไอ้ที่ทุกเพระไปยึดไปเอานะแต่ถ้ามีแล้วไม่เอาเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะเพราะเมื่อไม่เอาเนี่ยมันก็ มันก็เลือนมันก็ดับไปแล้วที่จริงความโกรธก็เช่นในีกัอการอมณ์อื่นๆนะมันมีประโยชน์เพราะว่าถ้ารู้จักมองรู้จักดูมันเนี่ยมันก็จะสอนสอนไตรักได้นะสอนไตรักได้ความปิติกับความโกรธเนี่ยมองในแง่ของสภาวธรรมแล้วเนี่ย มีค่าเหมือนกันนะก็คือสอนไตรักที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าความโกรยเท่านั้น น, ะนิวรตัวอื่นด้วยนิวรณ น, นี่ก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันขัดขวางจิตไม่ให้เป็นสมาธิความโกรยก้อนหนึ่งหรือความหงุดหงิดลำคาญใจที่ที่เรือกพยาบาทนะนิวรมีห้าตัว ตัวต่อมาคือกา ร, รมาฉันทะนะก็คือกิเลสก็คือความโลภหรือว่าราคะซึ่งมันมีหลายระดับนะรวมไปถึงว่านึกถึงอาหารอร่อยนึกถึงข น, นมนึกถึงน้ำอัดลมถึงกาแฟที่ชอบนอันนี้ก็เป็นกา ร, รมาฉันทะไดนะ้อยากฟังเพลงเพราะนึกถึงละครนะหรือว่านึกถึงว่าพระบรมศาสดาต่อสุดท้ายนี่จะจบยังไงเนี่ย <laughs> อยากดูเนี่ย นี่ยการมาฉันท่าได้เลยเพราดูพราะมันสนุกเนี่ยเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องบินรอรอรอคนที่สนามบินดอนเมืองนะก็มีพียู่คนหนึ่งแกก็นั่งดูดูโทรสา์มือถืออะไรถามว่าก็ดูอะไรแกก็ยุมากแล้วเพราว่าพอมีเสียงรอดมาก็เลยรู้ว่าออมเป็นหนังเรื่องพระบรมศาสดาเนะี่ยดูทางมือถือนะ ถ้าทางจะติดมากเลยขนาดอยู่วันรอเครื่องบินที่ดอนเมืองก็ยังเอามาดูเลยนะยนอกจากกรรมฉันท่าแล้วก็มีความง่วงเหงาหอนอนถินมิทะความฟุ้งซ่านลำคาญใจนะอุทจักกุจจะแล้วความรางเลยสงสัยวัดวิธีนี้ถูกไหมหรือว่ากูมาทำอะไรวะที่นี่ไอเนี่ยไอพวกนี้ก็เรียกเป็นวิธีกิจชาได้ซึ่งสาหรับคนที่ชอบความสงบจํา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 จากการเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตมาเป็นเห็นธรรมได้เศรษฐประฐาน4ี่มันมีอยู่4 4 4 4ระดับ4ด้านนะการเนนุ ป, ปัสสนาคือเห็นกายหรือพิจารณากายเวทนานุ ป, ปัสสนาก็คือรู้รู้เวทนาหรือเห็นเวทนาจิตตานุ ป, ปัสสนาคือว่ารู้จิตหรือว่าเห็นอาการของจิตที่เกิดขึ้น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 เราจะรู้จักเราจะเห็นได้เราจะรู้ได้ไงว่ า, าขันห้าเช่นไม่ใช่ไม่ใช่แต่รูปแต่ตั้ ง, งแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่เทีย่ยวมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนความโกรธก็ไม่ใช่ตัวตนความเศร้าก็ไม่ใช่ตัวตนความเบื่อก็ไม่ใช่ตัวตนเราจะรู้ความจริงอย่างนี้ได้อย่างไรถ้ามันไม่เกิดมาให้เราเห็น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะการมีนิวร์เป็นของดีนะเพราะว่ามันเป็นวัตถุดีที่ทํทำให้เราเนี่ยเห็นธรรมในธรรมได้หรือว่าเข้าใจเข้าใจการเกิดและดับนะของ อ, อารมณ์เหล่านี้ได้รวมทั้งการเห็นทุกข์ด้วยนะรวมทั้งการเกิดทุกข์ด้วยนะ เพราะว่าเห็นทำธรรมานุ ป, ปัสสนาข้อหนึ่งก็คือการเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่อริยสัจ4ี่ก็มีทุกขส ม, มุทัยนิโรจน์มากเราจะเข้าใจเรื่องทุกได้อย่งไรถ้าทุกไม่เกิดให้เราเห็นทุกต้องเกิดก่อนเราถึงจะถึงจะรู้จักทุกนะแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งในอริยสัจอีกสามข้อ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ถือว่ามันเป็นของดีนะเมื่อมันเกิดขึ้นความโกรธความหงุดหงิดความเบื่อความเซงความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ขอให้เรามีสติรู้ทันมันนะนะเรียกว่าเห็นมันหลวงพ่อคำแก่นท่านใช้ว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นนะถ้าเห็นอ่ะดีถูกต้อง ถ้าเป็นเนี้ยไม่ถูกนะความเครียดถ้าเห็นนี่ดีนะแต่ถ้าเป็นอันนี้ไม่ถูกแล้วนะงั้นเครียดนี้ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราเห็นมันแต่ถ้าเราไปเป็นมันเมื่อไหร่เนี่ยั น, นี่ผิดแล้วความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาถ้าเราเห็นมันแต่มันเป็นปัญหาเพราะเราไปยึดเข้าไปเป็นมัน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 ไม่มีนิวรนมารบกวนไม่มีความฟุ้งซ่านไม่มีความหางุดหงิดมีความเครียดจะไปตั้งจิตแบบนั้นจะไปตั้งความปรารถนาแบบนั้นเพราะยิ่งตั้งความอยากความปรารถนาแบบนั้นจ ะ, จะทุกข์มากขึ้นเพราะว่ามันไม่มีทางไม่มีทางสกัดกั้นได้มันต้องมาเป็นธรรมดาของมันเือนกันในป่า น, นี่ก็ต้องมียุงนะก็ต้องมีแมลงจะไปตั้งความอยากว่า อย่าให้มีอย่อย่าให้มีแมลงเนี่ยทำความหยาบอันนี้ก็ทุกข์เปล่าๆหน้าที่ของเราคือว่าสิ่งที่ควรทำคือว่าเออจะอยู่กับมันได้อย่างไรนะมันมาก็ก็อย่าไปโกรธไปเกลียดมันนะก็แค่หลบแค่หลีกเท่านั้นเองมันมาตอมก็ปัดนะมันมาเกาะก็ขยับหรือถ้ามันจะกัดมันจะ กินเลือดเราไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะนะก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะให้ฝึกวันนี้แหละฝึกใจที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสนะไอ้กระบวนการไอ้การยอมรับเนี่ยมันทำให้เราค่ยค่อยเห็นมันไม่เป็น